มีมาใหม่หลายท่านเคยมาไหมแล้วเคยฝึกมาแนวไหนฝึกแบบไหนส า, ายไหนแนแนมทิ้งแล้วเนี่ยเริ่มจากการที่เปลี่ยนอคำจบแล้วก็ได้อ่านในส่วนท่านที่องค่ า, าที่ อ, ท, อที่แล้ว ขนาดที่ผ่านมาคือข้างเดียรู้สึกว่าใช่แล้วนี่อ่ที่ที่อยากจะรูจ้จักจากเรียงนี้มา ต, ตลอขนาดนั้นน่ะมีเสียงเรียกกา่านบรรทุนหรือเปล่ามีเงเรียกท้นมาลุกขึ้นยืยนจะไปตามเสียงเรียกนะขนาดนั้นเี่ตยิ่งเป็นตังยิ่งไปจับเสียงเรียกนั ก็รวอนกลับมาหาตัวเองแล้วก็แยกให้รู้ว่าทีู่ีูู่้รูส้สองหล่งชือกเสี้ยวนยั่นแหละก็เลยวนะ่าก็เลยยืนคือจะยืนอยู่ตร น, นั้นแล้วก็เริ่มไม่ตอนนั้นไม่กล้าว่าจะไป็นกราบที่ไหนก็เลยไปที่วันีนเ้เลยเป็นกาบป ก็รับมฐานเหมนานแล้วก็ปฏิบัติใจก็จะใชตลอดเช่นกัเยถ้าอยากจะถามทําว่าตรงนั้นนั่งควิปันาใช่ยว่าเป็นอะไรที่จะเกิดเรื่องเะรก็จอยากจะบอกความคที่วันมาเหยยงยเลยไม่ใช่สภาวะอ๋อสภาวะอันนั้นใช่ไหมสภาวะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีความสำคัญเลย มันคือธรรมารมที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองนะ<ต>ถ้าเป็นการจะถึงการ้องการตรงนั้นสึกนั้นเท่านั้นเองใช่เมื่อสภาวะใดปรากฏเนี่ยสภาวะนั้นแสดงธรรมะให้เราดูทั้งสิ้นเลยมันะคือแสดงความดับไปนะในขณะนั้นเนี่ยเราทําตัวเป็นแค่ผู้ดูผู้รู้ผู้สังเกตการนะไม่เข้าไปยินดีไล่อะไรด้วยแท้จริงแล้วเนี่ยเราปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องมุ่งไปสู่การละสักกายทิฏฐิให้ได้เดี๋ยวจะมาใช้ภาษาง่ายนิดหนึงคือเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้นะคุณรู้สึกรู้สึกนะเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องมุ่งไปสู่การได้ดวงตาเห็นธรรมอย่างน้อยต้องเป็นพระโสดานะเราตั้งเป้าไว้ก่อนได้ไม่ได้ว่ากาันทีหลัง นี่สัตว์ดบบันเนี่ยมุ่งทำลายความเห็นผิดว่ากายกับจิตหรือขันห้าเป็นเราวิธีทำลายความเห็นผิดมีอย่างเดียวเท่านั้นเองคือเห็นให้ถูกอยากเห็นถูกก็มีวิธีเดียวเห็นตามที่มันเป็นนี่เราจะเห็นตามความเป็นจริงได้เนี่ยเราต้องให้การตามเห็นก็ตามความเป็นจริงเนี่ยหละเรียกว่าวิปัสสนานี้วิปัสสนาสมมุติว่าสภาวะธรรมใดๆปรากฏขึ้นมา เรารู้อย่างที่เขาปรากฏไม่เข้าไปแทรกแทงเขาไม่เอาบัญญัติเข้าไปใส่ให้เขาเขาจะแสดงความไม่ใช่ตัวเราแสดงความเกิดแล้วก็ดับไปบังคับไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้ทีเราก็จะสะสมปัญญาไปครั้งละเล็กครั้งละน้อยสะสมไปเรื่อยๆสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับสภาวะอย่างนั้นเกิดแล้วก็ดับในที่สุดก็รู้ว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนะเกิดแล้วดับหมด นะตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆไม่เข้าไปแทรกแซงนะทีนี้ก็เลยตามดูตามดูจิตมาตลอดประพาติบอกหน้าทีนี้เขจะเป็นแบบนี้ดูดูจิตจะขึ้นมาเองโดยที่ตามตอนแรกก็ไม่ทราว่ามันคือประพฤติาธรรมแต่ว่าพอจะผ่านมาถึงขั้นก็เข้าใจเจตจากที่ประพติมาตลอดทีนี้ก็จะเหมือนกับที่คุณพูด ว, ว่า ขนาดนี้เนี่ยเมื่อสภาสวะจะสภาวะได้หรืออะไรนะมีเหมือนกับจิตดวงคอยดูใช่มันจะมีคนดูคอยดู่ตรงนั้นนี่คือจิตดรงนี้ที่คอยดูอยู่กับจิตัวรู้นี่คือตัวเดีวกันไหมจ๊ะคุณผูมตัวเดียวกันแสดงว่าจิตตรงที่คอยดูนี่คือตัวรู้ <c oughs> แต่ตัวรู้เนี่ยก็ เ, เกิดจับนะตัวรู้ไม่เที่ยงเหมือนกัน ่มีตัวรู้แล้วก็มีตัวหลงเราไม่จาเป็นต้องไปตัวหลงอย่าไปจับมันนะแต่ตัวจุดรู้อย่างเดียวคือจริงจริงแล้วการปฏิบัติเนี่ยนะมันก็มีสองงานจิตกับอารมณ์นะเบื้องแรกเราเห็นตัวจิตไม่ได้ส่วนใหญ่ถ้าพยายามไปดูจิตหรือพยายามดูผู้รู้จะกลายเป็นเท่งผู้รู้นะ เพราะฉั้นเราจะไม่เพ่งผู้รู้ผู้ที่เพ่งผู้รู้ก็กลายไปติดสมถะเช่นเดียวกับผู้ที่เพ่งกายนะถ้าเรียนสายอภิธรรมมาก็จะชอบดูรูปอียาบที่นะเพ่งกายเพ่งกายกับเพ่งจิตเป็นสมถะเหมือนเหมือนกันเพราะฉนั้นเราจะไม่เพ่งอะไรสักอย่างแต่เราจะปล่อยนะถ้าถ้าเอาง่ายๆเลยนะเมื่อตาเราเห็นรูปหูเราได้ยินเสียงเมื่อใจเราคิดนึก สภาวะธรรมความรู้สึกใดเกิดขึ้นให้รู้ทันลงไปรู้เฉยๆนะอย่าเข้าไปแทรกแซงยกตัวอย่างตาเรามองเห็นคนเดินมาสองคนคนนี้เพื่อนเราความดีใจเกิดขึ้นรู้ที่ความดีใจไม่ต้องไปดูที่ตัวรูปนะไม่ต้องไปพิจารณาว่ารูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์ไอ้นั่นมันรูปภายนอกนะเราย้อนเข้ามาดูกายกับใจของเราภายในนะดูของภายในเนี่ยมันจะดูเพื่อทําลายความเห็นผิดว่าเป็นตัวเรา เพราะฉะนั้นเมื่อตามองเห็นรูปเห็นคนนี้เดินมาใจยินดีรู้ว่ายินดีเห็นคนนี้เกลียดรู้ว่าเกลียดเนื้อรู้ที่ความรู้สึกแต่จะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยผ่านมาแล้วผ่านไปบังคับไม่ได้เท่าดูอยู่อย่างนี้เอง แล้วอย่างนั้นไม่ต้องพยายามให้นิ่งอะไรต่อไม่ไม่ทําให้นิ่งนะเพราะเขาว่ า, าไม่เข้าใจคือิดว่าจะต้องพยายามให้นิ่งให้หงเดียวเขานี่มันจะเรื่องไปตลอดจำย้ายไปเรื่อยเรื่เราต้องการให้เห็นว่าเขาเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้นะไม่ได้ฝึกเพื่อจะปไปบังคับเขาคําว่านิ่งนะ่ะไม่มีความหมายไม่มีความจําเป็นนะแต่คําว่าตั้งมั่นจําเป็น นิ่งกับตั้งมั่นไม่เหมือนกันนะสังเกตไหมว่าใจเราเนี่ยเคลื่อนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวส่งไปทางตาเดี๋ยวส่งไปทางหูเดี๋ยวส่งไปทางใจเนี่ยเรียกว่ามันไม่ตั้งมั่นนะมันไม่ตั้งมั่นสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นไม่ใช่คือความสงบแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาตั้งมั่นไปไหนเขาก็สงบด้วยเขาเบาด้วยนะเขานุ่มนวลอ่อนโยนด้วยเขาคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวด้วยไม่ซึมไม่ทึ่อไม่หนักไม่แข็ง ถ้าเมาื่อไรใจรู้สึกหนักๆแข็งๆนั้นฉีตัวนั้นเป็นอกุศลคุณนีกระหว่าที่หน้าเราจะจะมีความรู้สึกสภาวะตึงตลอดอนตัวบางครั้งเนี่ยไปจับไม่จั บ, จบการดูการรู้อารมณ์เนี่ยมันมีสองแบบอันหนึ่งรู้แบบถล่าลงไปรู้ลงไปจับลงไปแช่ลงไปกําหนดอันนี้ไม่ถูกต้องนะทําด้วยตัณหาละ นะมีตัญหามีทิฏฐิลงไปเ ก, กาะอีกอยางนึ่งสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่เหมือนเราดูหยุดสังห์จิตใจเราเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระอยู่แล้วก็ดูทุกอย่างที่ผ่านมาผ่านไปเนะี่ยคล้ายๆเรายือนอยู่บนบกอยู่ริมคลองนะเห็นของลอยมาในน้ําทุกอย่างที่ลอยมาแล้วต้องลอยไปอย่าโดดลงน้ำํำนะเพราะงั้นอย่าส่งจิตเข้าไปแช่ข้างในจิตที่ คือจิตที่จะใช้เจริญวิปัสสนาเนี่ยการวิจเจริญวิปัสสนาเนี่ยคือตัวปัญญาสิกขาก่อนที่จะมีปัญญาสิกขาเราต้องเรียนเรื่องจิตสิกขาแท้ก่อ น, นการเรียนเรื่องจิตสิกขาก็คือเราเรียนจนกระทั่งรู้จักแล้วก็สามารถจําแนกได้ว่าจิตตัวไหนเป็นกูสลุลจิตตัวไหนเป็นอักกูสลุลจิตชนิดไหนตั้งมั่นจิตชนิดไหนไม่ตั้งมั่ น, นะต้องเรียนจนรู้จักจิตที่ตั้งมั่นเป็นมหากูสลจิตก่อน เมื่อจิตเราตั้งมั่นเป็นกุศลแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวปัญญาไม่เกิดนะเพราะสัมมาสมาธิเป็นเหตุไล่ให้เกิดสัญญานะเพราะฉะนั้นจิตต้องตั้งมั่นการถลำลงไปดูก็คือจิตไม่ตั้งมั่นนะแต่การบังคับตัวเองไว้ไม่ให้ถลำนี่ก็เป็นมิจฉาสมาธิใจจะแข็งแข็ ง, ขงหนักหนั ก, น, กนะเป็นอกุศลและจิตหละแล้วจิตที่เป็นมหากุศลนะเบามีละหุตานุ่มนวลหีมูตุตานะแล้วไม่ซึมไม่ซึ้อ เมื่อไรเมื่อไรซึมเมื่อไรชื่อเนี่ยเป็นอับปุสน ไม่ใช่เอาจิตไปไว้ที่มือนะตรงนั้นเนี่ยคือไ่เาใจว่าความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวที่ท่านว่าคือรู้สึกตัวแล้วเนี่ยในการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นจิตรู้สึกตัวไปอมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็คือยังไม่เข้าใจว่าองสอย่าง นะเราดูตัวสภาวะจริงๆนะเอาหัวไม่มือเองมาแห้งใส่เลยให้จิตลงไปอยู่ที่หัวไม่มือเลยเฮ้งเลยไม่ต้องคิดมากเนี่ยรู้สึกไหมว่าจิตจะอยู่ที่หัวไม่มือเนี่ยส่วนใหญ่พวกที่ว่าทํำนิพพสนานะขยับเนี่ยจิตเคลื่อนไปอยูกลังหลงดูกําลังถลำลงไปดูคล้ายๆดูละครหรือดูคอนเสิร์ตนะแต่โดดขึ้นเวทีไปดูไม่ดูอยู่ข้างนอก ไม่ใช่ความรู้สึกตัวไม่ใช่ว่าจิตตั้งที่ตรงนั้นจิตตั้งที่ตรงนี้เพราะจิตเนี่ยเกิดดับไปเรื่อยๆยเดี๋ยวเกิดทางตาเกิดทางหูเกิดทางใจนะความรู้สึกตัวก็คือความไม่หลงนะความไม่หลงเวลาดูไม่หลงดูเวลาฟังไม่หลงฟังเวลาคิดไม่หลงคิดนะันทีที่ไม่หลงนั่นแหละรู้สึกตัวนะเห็นไหมตอนนี้หลงคิดแล้วดูออไหม เนี่ยหลงคิดอีกแล้วทราบไหมกําลังเกิดพฤติกรรมทางใจอะไรทราบไหมอย่าดูไม่ออกไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวว ง, งเอ า, าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อเรียนต่อนะคือศาสนาพุทธเนี่ยมีบทเรียนสามบทเราต้องเรียนให้ครบสามบทนะใครมาใหม่ค่อยฝังเนาพวกเก่าๆฟังแล้วฟังยนะีบทเรียนสามบท คนที่ยังต้องเรียนอยู่คือคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์คนที่ไม่ต้องเรียนมีคนเดียวคือพระอรหันต์เรียกว่าอาเสขาบุคคลนะนอกนั้นต้องเรียนหมดเลยบทเรียนของศาสนาพุทธมีสา ม, มดบทนะเรื่องศีลสิกขาเรียนเรื่องศีลจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตปนะัญญาสิกขาเรียนเพื่อให้เห็นความจริงของรูปของนามของ่ายของใจว่าไม่ใช่ตัวเรานะไม่ควรยึดถือถ้ายึดเมื่อไหร่จะทุกข์เมื่อ น, นั้นเนี่ยปัญญาจะเรียนสิ่งเหล่านี้นะ นี่การศึกษาธรรมะต้องศึกษาไปตามลําดับเบื้องต้นต้องมีศีลก่อนนะอย่างน้อยมีศีลห้าศีลแปดเลยเนี่ยถือไว้ก่อนแต่ศีลห้าศีลแปดจะไม่ใช่ศีลของนักปฏิบัติแต่เป็นศีลทางจริยธรรมเท่านั้นอยู่กัโลกศีลของนักปฏิบัติมีอีกชนิดหนึ่งเรียกว่ายินเสียสังวรศีลศีลชนิดนี้เกิดจากการที่เรามีสติคอยรู้ใจของเราไว้นะยกตัวอย่างสมมติว่าเราเดินเดินไปเนี่ยเห็น คนเขาวางกระเป๋าไว้หรือวางแหวนเพชรไว้ไหมเเข้าห้องน้ําก็ถอดไว้เราหยิบก็หยิบได้ใครก็ไม่เห็นเนียแต่เราเห็นความอยากของเราความอยากได้ของคนอื่นเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยความอยากอันนี้โลภะอันนี้ครอบงาใจไม่ได้เราจะไม่ขโมยของใครโดยไม่ต้องตั้งใจรักษาศีลนะสมมติว่าคนมาด่าเราเราโกรธความโกรธเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันว่ากําลังโกรธแล้วนะรู้ทันความโกรธครอบงาใจไม่ได้ รับรองไม่ฆ่าใครไม่ด่าใครเนะนี่ยสีมันจะเกิดขึ้นเองเพราะว่าเรามีสติรู้ทันใจของเรานะอย่างนี้เรียกว่าสีนโนนักปฏิบัตินะไปฝึกดูกิเลสที่เกิดในใจพอดูได้ไหมเวลาโกรธก็รู้ลงไปนะเวลาโลภเวลาหลงเวลาดีใจเสียใจนะรุ่มใจกังวลใจอิจฉากลัวนะอะไรความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นกนะิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันเรื่อยๆนะสีมันมาเอง ในถ้าเราเรียนเรื่องศีลก็คือเรามีสติรู้ทันจิตใจตัวเองไว้ศีลก็เกิดขึ้นนะนี้เรียกว่าจิตใจเราเป็นปกติไม่ถูกกิเลสลากไปล้วต่อมาเรามาเรียนบทเรียนที่สองบทเรียนที่สองนี้จําเป็นมากเลยนักปฏิบัติไม่ค่อยเรียนกันคือจิตสิกขาในบางคนไปประกาศวาทะนะจิตไม่เอาจิตต้องเรียนทีหลังนะต้องเรียนเรื่องตายก่อนนะไม่ถูกเพราะพรุทธเจ้าสอนจิตสิกขา จิตศึกษาคือเราต้องหัดสังเกตหัดเรียนให้รู้จักว่าจิตที่เป็นกุศลเป็นยังไงจิตที่เป็นอกุศลเป็นยังไงถ้าไม่งั้นถ้าเราไม่รู้จักนะเราจะไปหลงสร้างอากุศลและจิตขึ้นมาเราคิดว่ากําลังปฏิบัติอยู่เช่นหนักแน่นแข็งนะหนักแน่นแข็งนี่อกุศลล้วนๆเลยนะเครียดปฏิบัติแล้วเครียดต้องอยู่ทันที นะจิตที่เครียดได้เป็นอกุศลจิตหรือเป็นโทสามูลจิตเท่านั้นนะไป่ต้องหัดสังเกตแต่ว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลจิตนะที่ไปกุศลเนี่ยมันจะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมานะมันจะตั้งมั่นนะค่อยๆสังเกตวิธีที่จะทําให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยถ้าเรารู้ทันนะว่าจิตไหลไปทางตาไหลไปทางหูไหลไปทางใจเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็เป็นกุศลปลอมในตัวเองเลย นี่บางคนก็ไปบอกว่าจิตศึกษาคือวิธีนั่งสมาธิก็ถูกเหมือนกันแต่ต้องนั่งแบบสัมมาสมาธินะทำฌานที่เป็นสัมมาสมาธิไม่ใช่นั่งเคลิมกองแงก้งองแ ง, ง่เห็นโน่นเห็นนี่เห็นนิมิตนี่มิจฉาสมาธินะถ้าสัมมาสมาธินั่งเรารู้สึกตัวนะถึงโลกข้างนอกดับหมดเลยก็เหลือความรู้สึกตัวไม่ทิ้งความรู้สึกตัวะฝึกให้มีความรู้สึกตัว ถ้าเรานั่งสมาธิไม่ได้ทําฌานไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจนะเรามีอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีของพวกวิปัสสนาญาณิกเราใช้สตินั่นแหละนะคอยรู้ทันจิตของเราที่ไหลไปนะอย่างเวลาเราเห็นคนเดินมาเราดูเขาปุ๊บเนี่ยใจเราวิ่งไปอยู่ที่เขาอันนี้เคยรู้จึกรู้สึกไหมอย่ยเราเห็นใครเดินมาเราดูเขาปุ๊บเราลืมตัวเราเองเห็นแต่เขาเรียหลงไปดูนะไ ป, ป่ฟังตั้งใจฟังนะ อย่างอาตมาพูดเนี่ยสังเกตไหมพวกเราฟังไปคิดไปใครดูออกบ้างว่าฟังไปคิดไปฟังนิดเดียวแต่คิดยาวๆรู้สึกไหมเนี่ยคิดทั้งนั้นเลยรู้สึกไหมเนี่ยการที่เราไม่เคยเห็นเลยว่าจิตเราหลงไปคิดนะก็คือจิตเราเป็นอกุศลนั่นเองเนี่ยคิดเป็นอกุศลตลอดเวลาเลยเพราะคนในโลกหลงตลอดเวลาเลยนะฮามหาอกุศลและจิตสักสวงหนึ่งนี่ยากที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นจิตส่วนใหญ่จะหลงหลงไหลไหลไป หน้าที่ของเรารู้ทนันะจิตเราไหลไปในความคิดแล้วหลงไปคิดรู้ทนันหลงไปดูรู้ทนันนะหลงไปฟังรู้ทนันสามช่องนี้หลักๆความจริงนะช่องทางที่จิตจะหลงไปมีหกช่องคือตาหูจมูกลิน้นกายใจแต่สามช่องหลักๆทางตาทางหูทางใจดวออกมั้ยยัว่าหลงทางใจเพราะงจิตจะเต่าเนี้ยหลงอีกแล้วเห็นไหมหลงอีกวับหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นจะต้องรู้สึกตัวขึ้นมาเรียกความรู้สึกตัวที่้าป่าเรียกว่าตัวรู้ตัวรู้เราไม่เรียกตัวรู้ก็ได้ถ้าไปเรียกว่าตัวรู้บางคนจะหลงผิดว่าตัวรู้เที่ยงนะครูบาอาจารย์สอนมัสยัยเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงเป็นมิจฉาสมาธิให้เป็นมิจฉาทิจจิเป็นมิจฉาทิจจิเพราะไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงหรอกเนี่ยหลงคิดแล้วทราบไหม ไม่คิดตามไม่รู้เรื่องถูกต้องเพราะว่าถ้าไม่คิดตามไม่รู้เรื่องการฟังไปคิดไปเนี่ยเรียกฟังเชิงปริยัตินะนี้เรากําลังจะก้าวข้ามมาสู่การฟังเชิงปฏิบัติละเพราะเวลาเราน้อยนะเรามีเวลาเรียนมันละชั่วโมงเพะฉั้นเราหัดสังเกตจิตของเราเลยจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตเราไหลไปเรื่อยๆไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดพวกนักปฏิบัติก็ไหลไปเพ่งไหลไปกําหนด เนี่ยหลงคิตอกแล้วตั้มไหมนี่หัดรู้ทันอย่างนี้นะมันจะคิดไม่ได้เลยพอมันไหลไปแป๊บรู้สึกขาดแล้วความปรุงแต่งขาดนะตรงที่ความปรุงแต่งขาดเนี่ยมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาทําตัวนี้ให้เกิดเนืองเนืองแต่ไม่ใช่ให้ต่อเนื่องนะคําว่าต่อเนื่องขัดเกี่ยวกับคำว่าอนิจจัง มันเกิดแล้วมันดับความรู้สึกตัวอย่างเราไหลไปปุ๊บรู้สึกมือนจะตั้งขึ้นชั่วขณะมันเป็นแค่คณิกาสมาธิแล้วมันไหลอีกไหลอีกรู้อีกแล้วตั้งขึ้นมาอีกแล้ว luent, ตั้งขี่ยิบขึ้นมาเลยพอมันสติเกิดขี่ยิบสัมปชัญญะเกิดขึ้นสัามมาสมาธิเกิดขึ้นขี่ยิบขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนเรารู้สึกตัวยาวๆจริงๆเป็นแค่ความรู้สึกจริงๆแล้วเกิดดับเกิดดับขี่ยิบเลยนิด สภาวะแห่งความรู้สึกตัวจิตที่รู้สึกตัวเนี่ยเล็กนิดเดียวแวบเดียวเองอ่ะแล้วก็จะเป็นจิตหลงยาวๆอีกนะอย่างเนี้ยหลงยาวแล้เห็นไหมหลงคิดฟังฟังนิดนึงแล้วไปคิดเรื่องว่าหลงฟังนะดูแล้วไปหลงคิดเรียกหลงดูนั่งเฉยๆคิดไปหลงคิดเพราะฉั้นตรงที่หลงหลงลงเนี่ยส่วนใหญ่หลงเข้าไปในความคิดนั่นเองหน้าที่ของเรารู้ทันว่าหลงไปแล้ว เมื่อรู้ทันเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่กับโลกของความรู้สึกตัวแต่อยู่ได้ครั้งละนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นเราจะจําสภาวะแห่งความรู้สึกตัวไม่ได้ไม่ต้องพยายามจำนะอย่าพยายามจําว่าตรงไหนจิตที่ถูกเป็นยังไงอย่าจำเด็ดขาดนะจำแล้วผิดเลยทันทีที่อยากจําเนี่ยจิตที่ถูกผิดแต่แล้วกลายเป็นจิตที่มีโลภะแลนะวเพราะฉนั้นไม่ต้องไปจํามัน แต่รู้สึกตัวเนืองๆจนฉี่นะไหลแวบรู้แวบรู้ไปได้่อนะแล้วก็มันจะรู้สึกตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้บังคับไว้จะไม่เหมือนการตั้งโดยบังคับนะตั้งโดยบังคับจะแข็งแข็งๆๆๆๆเกรงเรงแข็งแข็งนั้นมิจฉาสมาธิเราใช้ไม่ไดนะ้แต่ว่ารู้ตรงที่หลงแวบรู้สึกรู้ทันี่ยตั้งมั่นได้นิดเดียวตรงนิดเดียวเนี่ยจะว่างสว่างปลอดโปร่งเฉื่อยใสเบาเบิกบานนะแล้วแต่สำนักจะเรียกแต่และสำนักเรียกไม่เหมือนกัน มัสตาบอกว่าเป็นผู้รู้ผู้สื่อผู้เบิกบานนะหลวงพ่อพุทธทาสบอกสะอาดอะละสงบสะอาดสว่างเลยแล้วแต่จะเรียกะแต่แว บ, บเดียวเมื่อมันเกิดบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยต่อมาสติปัญญา ก, กล้าขึ้นแล้วมันจะทําความเข้าใจไอ้จิตดวงนี้ได้มันจะเห็นเลยว่าจิตที่ไม่ปรุงแต่งะ่ะไม่มีความเป็นเราอยู่สักนิดเลยเแมะความความเข้าใจผิดว่าจิตเป็นเราก็จะขาดไป ยัปฏิบัติเนี่ยมุ่งมาตรงนี้นะถ้าออกสเปสตะไม่มุ่งไปสู่การที่จะเห็นว่ากายกับจิตไม่ใช่เราเนี่ยเรียกว่าออกข้างทางแล้วอยนะเช่นจะมานั่งถามทำยังไงจิตจะสงบจิตสงบไปถามศาสนาอื่นก็ได้นะไปถามนักจิตวิยาก็ได้จิตแพทย์ก็ได้เนะี่ยทำจิตให้สงบไม่ยากอะไรนะให้จิตใจไปเคล้าอยู่กับอารมณ์มันเดียว ที่สบายๆที่พอใจคล้าอยู่โดยไม่เจตนาจะคล้าเดี๋ยวก็สงบแต่ว่าทํายังไงจิตจะเกิดความรู้สึกตัวหลุดออกจากโลกของความคิดได้เนี่ยหนีไปคิดทราบไหมจิตหลงบ้าไปเพราะงั ก, การปฏิบัติไม่เกี่ยวอะไรกับการดัดแปลงจิตใจเองนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยพอคิดถึงการปฏิบัติก็คิดว่าต้องทาอะไรสักอย่างหนึ่ง หรือหลายๆอย่างที่มันยากด้วยไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมะเป็นของยากอยู่ไกลๆต้องทําอีกนานๆถึงจะเห็นนี่เข้าใจผิดธรรมะคืออะไรคือรูปธรรมนามธรรมอยู่ทนโทษต่อหน้าต่อตานี้แหละนะไม่ต้องไปดูที่ไหนรู้ลงที่กายเห็นไหมกายบังคับไม่ได้หายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกได้ไหมนะไม่ได้เห็นไหมนั่งแล้วไม่ขยับไม่ยืนไม่เดินไม่นอนได้ไหมก็ไม่ได้ ร่างกายบังคับไม่ได้ทานอาหารแล้วไม่ถ่ายได้ไหมถ่ายแล้วไม่ทานอาหารได้ไหมเนี่ยตามรู้สึกไปเจะเห็นร่างกายนี้บังคับไม่ได้เลยในความรู้สึกทางใจแหละเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายบังคับไม่ได้เดี๋ยวจิตก็หลงไปทางตาเดี๋ยวจิตก็หลงไปทางหูเดี๋ยวหลงไปทางใจบังคับไม่ได้การที่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูจนเห็นว่าบังคับไม่ได้เนี่ยนี่แหละปัญญามันเกิดไม่ใช่ฝุดจนบังคับได้ นักปฏิบัติส่วนใหญ่มุ่งไปบังคับมันเช่นจิตไม่สงบจะทําให้สงบจิตฟุ้งร้างจะให้มันสงบนะจิตมีราคะรีบพิจารณาสุขะมาแก้จะได้สงบจะได้ดีจิตมีโทสะ ร, รีบไปแผ่เมตตาจะได้สงบจะได้ดีมุ่งไปที่ความสงบมุ่งไปที่ดีแต่ถ้าเราทํามิปัศสนาเนี่ยเรามุ่งให้เห็นความจริงว่ามันเป็นของแสบรวนบังคับไม่ได้ เพราะฉนัจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติเลยต่างกันเพราตั้งเป้าให้ถูกนะตั้งเป้ากิดไปไกลเลยอย่างที่คุณบอกว่าคุณดูเห็นดูจิตอยู่นะถ้าเรียนอีกหน่อยจะเห็นเลยว่าถาลบลงไปดูจิตไม่ได้ตั้งมั่นยังหลงอยู่อย่างนี้หลงคิดทราบไหม นะวิธีทำให้ตั้งมั่นคือรู้ทันว่าไม่ตั้งมัน่นรู้ว่ากำลังหลงไปคิดหลงไปทำงานทางใจนะหลงไปดูหลงไปฟังถ้ารู้ว่าหลงเนี่ยจะตั้งมั่นเองนะตอนที่พยักหน้ารู้สึกไหมความรู้สึกดับซับไปเฉยเยนะ <c oughs> นะรู้สึกตัวนะอ้าวโยตื่นตื่นห้ามฝัน อันเป็นไงไปซ่อนข้างหลังตัว น, นี้แย่งข้างหน้าไม่ทันเรียนต้องเรียนให้ครบนะเรียนศีล เ, เรียนสัมมาส ม, มาธิหรือเรียนเรื่องจิตพอจิตของเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยก็มาเจริญปัญญาเจริญปัญญาก็คือการเจริญสติปัฏฐาน ที่มีอารมณ์รูปนามสติปัฏฐานาบางอันไม่ใช่อารมณ์รูปนามนะไว้ทำสมถะทำไมมีสมถะพลอยู่ในสติปัฏฐานนะเพราะว่าทางเดินนี้มีสองสายสายหนึ่งทำสมถะก่อนแล้วไปเจริญปัญญาทีหลังดังนะนั้มันมีสองเส้นทางเวลาท่านสอนท่านสอนกว้างๆไว้ไนะเวลาเราปฏิบัติจริงนะสติปัฏฐานสี่นะทําอันเดียวพอ ยกตัวอย่างรู้ลมหายใจอยากรู้ลมหายใจก็ได้นะรู้ไปเห็นลมหายใจไม่ใช่เราเห็นว่ากายทั้งกายนี้ไม่ใช่เราแต่ถ้าคิดว่านี่หายใจเข้านี่หายใจออกนี่คิดนะหรือนั่งหายใจเข้าพุดออกโทนี่สมถะนะหรือดูธาตุในลมหายใจก็ได้หายใจเข้าเย็นหายใจออกร้อนอันนี้เป็นธาตุกรรมฐานไม่ใช่อนาปนสติแล้วเป็นธาตุกรรมฐานที่อาศัยลมหายใจ หรือดูเวทนาโดยการสายลมหายใจก็ได้หายใจไปแล้วจิตใจสงบมีความสุขรู้ว่าสุขหายใจไปแล้วมันไม่สงบเลยมันมีความทุกข์กวนะวายใจรู้ว่ากระวนสวายรู้ว่ามีความทุกข์หรือจะเอาลมหายใจยิงไว้เพื่อจะดูจะเจริญจิตสิกิจิ ต, ต, ตานุปัสตนาก็ได้หายใจไปหายใจไปจิตหลงไปละหนีไปที่อื่นละรู้ว่าจิตหลงไป นี้ก็ได้เพราะฉะั้นกระมฐานเนี่ยถ้าจับหลักให้แม่นนะเหมือนเราไหว้น้ําเก่งเราไปไหว้ที่ไหนก็ได้เจอคลองก็ไหว้ได้เจอบ่อก็ไหว้ได้นะลงทะเลก็ไหว้ได้ไม่ได้ขับแคบแล้วการทรําสติปัฏฐานเนี่ยไม่ว่าอันใดหนึ่งเนี่ยรู้ทั้งกายทั้งใจรู้ทั้งรูปทั้งนามนะก็แยกรูปแยกนามไม่ได้ทำํำวิปัสนามไม่ได้ อย่าง네เราหายใจเนี่ยเราลดเห็นเลยลมหายใจเป็นรูปจิตที่ไปรู้ลมหายใจเนี่อยู่สหะเป็นนามธรรมลมหายใจนี่แปรปรวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวสั้นเดี Nixon ๋ยวยาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นในแปรปรวนไปเรื่อยๆตัวจิตเองที่ไปรู้ลมก็แปรปรวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้ลมเดี๋ยวก็ไปรู้อันอื่นเดี๋ยวก็เกิดกุศลเดี๋ยวก็เกิดอกุศลงั้นทําสติปัฏฐานอันใดอันหนึ่งก็เห็นทั้งรูปทั้งนามแหะ หรือเราดูจิตแล้วก็เห็นรูปเห็นนามนะเพราะว่าอย่างความรู้สึกทางใจเกิดนเกิดจากตากระทบกับรูปเนี้ยเกิดความรู้สึกขึ้นมาดังนั้นมันรู้ทั้งรูปทั้งนามเ่ยไม่ใช่ว่ากายานี่มีแต่กายอันเดียวไม่มีจิตหรือจิตตามีแต่จิตไม่มีกายไม่ใช่นะถ้าแยกรูปแยกนามไม่ได้ก็ขึ้นนิพพานไม่ได้หละมีเพีคิดทราบไหม รู้สึกไหมว่ารู้สึกตัวได้วาบหนึ่งแล้วก็หลงต่อเลยเห็นไหมว่าตอนที่หลบหนีไปคิดทีแรกจิตเป็นอกุศลตรงที่รู้ทันจิตเป็นกุศลแล้วจิตที่เป็นกุศลก็ดับอกุศลรับช่วงอีกลงคิดอีกนะเห็นไหมว่ากุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วดับนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีแต่เกิดกระดับฝึกแค่นี้ยังได้เลยเห็นไหมหลงอีกแล้วนะหลงตั้งแต่เริ่มยกมือแล้วนะ เนี่ยเราดูเขาเราลืมตัวเราเองนึกออกไหมนะค่อยๆเรียนนะยากยากยากเหมือนกันกว่าที่แต่ละคนจะเรียนจิตสิกขาได้ยากพอเรียนจิตสิกขาแล้วอยากพูดทราบไหมนะนะดูแปความอยากเกิดขึ้นมาตั้งอยู่เราดับไปเลยนะ อ่นะแต่ว่าไปหานมาก่อนอ่ะดีทําให้อัตมาสะดวกนะไม่งั้นอัตมาต้องมาแก้ที่ฏีิแก้ทิฏฐินี่เหนื่อยขี้เจียแก้ยังมาถึงก็จะบอกว่าจะอยากนั่งให้เห็นเทวดาก่อนอะไรอ้ให้ไปดูที่อื่นเลยไปเนาะหรือบางคนมากเลยหาลูกมาท่านช่วยกล่อมเด็กนี่ให้สนใจาศาสนาโอ้พ่อมยังกล่อมไม่ได้เลย เนาะจะให้พระมากล่อมให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเชื่อหรอมันเชื่อหรอกเพราะนะงั้นอย่างไปอ่านมาก่อนนะเขาทุ่นแรงกัตมานะแล้วมาปรับนิดนึงแต่ว่าที่อ่านแล้วก็รู้เรื่องเลยนี่แทบไม่มีหรอกมีเหมือนกันแต่น้อยนะนะมีเหมือนกันเจอสามสี่คนเหมือกันของคุณมาจงนี้ปรับง่ายไปอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็มาจากอเมริกามาถึงมาถามยังไม่ทันนั่งเลยนะนุ่งเก่งขาสัาน้นวันนี้ขายาว เตรียมรับอากาศเย็นมาถึงก็ผมอ่านหนังสือของท่านนะที่ผมทำอยู่เนี่ยถูกหรือยังไม่ถูกหรอกยังทำอยู่เข้าใจแล้วโลกคนไหนก็ไม่รู้เนาะเข้าใจง่ายจันเพียงจันก็เข้าใจเร็วนะคุณชัยพัดช้ากว่าภรรยานิดหน่อยเพราะเป็นด็อกเตอร์ เนี่ยคนเนี้ยนะล<ม>ักอร์ชัยพัฒน์ที่หลวงา่ไปเขียนในท้ายาปฏิทบบอกมาเรียนเรื่อยเลยโอ้โหลวงพ่อชมในภรรยาไม่ชมเราที่ทำไม่ถูกพอดีมแม่เอาแล้วท้อใจเลิกปฏิบัติแล้วไม่มีบุญวาสนาเขาทำบุญอย่างเดียวพอท้อใจพอคิดว่าจะไม่ทำแล้วไม่ปฏิบัติ ใ, ใจมันโล่งขึ้นมาใจมันโล่งว่างแล้วรู้ว่าว่างรู้ว่าโล่ง ที่บัตง่ายจะตายไปคือจิตใจมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปนั่งดัดแปลงมันในนี้ก็มีบุคคลตัวอย่างหลายคนนะนี่ก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเจโบเนี่ยที่ร้องไห้ทุกเดือน <c oughs> เดี๋ยวนี้เลิกร้องอยังหลงร้บทราบไหมนะหลงไปคิดหลงเนี่ยหัดดูแฝหัดรู้จักหลง ไม่ต้องไปหัดรู้จักรู้พวกเราชอบไปจ้องใส่ตัวรู้จ้องใส่ตัวรู้ไม่ได้นะผิดเลยหลวงปู่ดูลสอนบอกว่าอย่าใช้จิตสแสวงหาจิตอย่าใช้ผู้รู้สแสวงหาผู้รู้หาอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอทำไมไม่เจอล่ะมันเจอไม่ได้เพราะจิตขนนั้นเป็นอกุศลซะแล้วจิตณนนั้นอยากรู้พออยากรู้ก็จิตเป็นอกุศลจิตที่เป็นอกุศลอยากพูดรับไหม นะจะบอกว่า อ, อยากจะรู้ว่าจิตที่ดูที่กลังดูมันคืออกไัตลอดเวลาคือคือสตินะคือสติคำว่าจิตผู้รู้เป็นคำสมมตินะเป็นคาสมมติมันเกิดจากภูบาอาจารย์วัดป่าท่านทำสมาธิเป็นจิตท่านเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งมันเด่นตัวจิตนั้นมันเด่น พอท่านออกจากสมาธิท่านเห็นว่าปิติที่เคยมีไม่มีสุขที่เคยมีไม่มีนะอารมณ์ที่เคยนิ่งนิ่งก็เริ่มไม่นิ่งแต่ตัวนี้ยังนิ่งอยู่ในที่สุดท่านพบว่าสิ่งทั้งหลายเป็นปรากฏการณ์ที่ถูกรู้ผู้รู้เนี่ยเฉยๆอยู่ที่เฉยเท่าไหรกําลังสมาธิมนุนหลังอยู่นะแต่ถ้าเราใช้สมาธิใช้วิปัสสนาญาณนี้ไม่มีหรอกตัวนี้ มันเกิดดับเกิดดับแต่ถ้ามีตัวนี้ขึ้นมาก่อนจะดูได้เยอะอะไรมานี่ดูได้ทั้งวันแต่ข้อเสียก็คือสุดท้ายแล้วจะไปยึดเอาตัวนี้ไว้ว่าตัวนี้เที่ยงก็ต้องมาแก้ตัวนี้ทีหนึงติดตั้งตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก็ต้องมานั่งแก้ทีหลังไม่จำเป็นไม่จำเป็นแล้วแต่ทางเลือกของเราทางเดินมันเยอะเนะวลาเขียนหนังสือถึงลําบากหรือเวลาเรียนรวมกันเยอะๆลําบาก เดีย๋ยบางคนเดินทางสมถายอย่างนี้เนี่ยพูดเรื่องตัวรู้เรื่องอะไรพวกวิปัสสนาอย่างนี้ก็จะเอาตัวรู้บ้างอะไรย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เลยกลายเป็นตัวหลงหมดเลยเพราะงั้นเราเฝ้ารู้ความเกิดดับไปทีละขณะรู้แค่ว่าขนาดนี้รู้ขนาดนี้เผลอขนาดนี้รู้ขนาดนี้เผลอแค่นี้ก็พอเนี่ยเผลอเนี่ยไปตรึกอีกแล้วเห็นไหนี่เข้าไปคิดยังไม่เลิกคิดรู้สึกไหมยังติดอยู่ข้างใน อยากหลุดไหมรู้สึกไหมว่าจิตมันเข้าไปเกาะกันทั้งในดูออกไหมดูออกไหมตอนนี้ดูออกไหมว่าติดอยู่ข้างในคือคือมันจะไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาออนะท้าเมไรจิตลงเข้าไปยึดถือเนี่ยมันหนักหนักขึ้นมามันอึดอัดนิดนิ ด, นดไม่โปร่งไม่โล่งอนะ่ะตัวนี้เป็นเครื่องชี้วัดได้เนีย่ยลงชิดเลยเนะ ไม่ต้องพยายามนะอย่าไปคิดออกรู้ทันว่ากาลังคิดเลยแล้วจะเข้าใจสิ่งที่อาจามาบอกบางคนฟังอาจามาพูดยี่สิบปีเข้าใจยี่สิบปีไม่เข้าใจก็มีมพวกที่ฟังไปคิดไปไม่เข้าใจออกแต่ถ้าฟังแล้วรู้ว่ากําลังหลงไปคิดตามเนี่ยเข้าใจในจับพลันไหมเนี่ยหลงคิดอีกแล้วทราบไหมไม่เลิกทราบไหม ไม่ไปหามันนะไม่ต้องไปเที่ยวดูว่าจะดูอะไรดีอนะไรอย่างนี้ไม่ต้องส่งจิตไปดูมันแค่รู้ทันจิตใจเรากำลังหลงไปดูรู้ว่าหลงไปดูหลงไปฟังรู้ว่าหลงฟังหลงไปคิดรู้ว่าหลงไปคิดใจลอยไปรู้ว่าใจลอยใจลอยนี่หลงสุดขีดคือคิดอะไรก็ไม่รู้ถ้าหลงคิดเนี่ยรู้เรื่องที่คิดหมดเลยคิดอะไรรู้หมดเลย แต่ลืมตัวเองรู้แต่เรื่องที่คิดลืมกายลืมใจอนุนากลับมั่งว่องอีกอย่างเดิมรู้เรื่องอย่างมาบ่อยๆแตนดีขึ้นเยอะแล้วนะให้คุณอรรมาลาคอยกวดขันไหมนะครบบัณฑิติดีแล้ว <laughs> เรียกครบสัตจบุรุษไม่มีแต่สัตวจบุรุษเนาะไม่มีสัตวสตรี ทำอะไรทราบไหมเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้จิตใจทําอะไรทราบไหมออกไปข้างนอกเนี่ยหัดอย่างเนี้ยเขาออกไปแล้วเราก็ค่อยรู้นะไม่ใช่นั่งเฝ้าว่าเมื่อไหรจะออกนะไม่ใช่ห้ามไม่ให้ออกด้วยแต่ว่าเขาออกไปแล้วก็ค่อยรู้ทันออกไปแล้วค่อยรู้ทันเรี่ว่าการตามรู้นะสติปัฏฐานเนี่ยเป็นเรื่องการตามรู้ทั้งนั้นเลย กายานุปัสสนาว่าการตามรู้กายเวทนานุปัสสนาตามรู้เวทนาจิตานุปัสสนาตามรู้จิตแต่ถ้าเราหลงคิดเนี่ยไม่ใช่สติปัฏฐานเราไปรู้ความคิดความคิดไม่ใช่รูปไม่ใช่นามทั้งนั้นไม่ใช่สติปัฏฐานนะ่างนี้หลงนะอย่างนี้ก็เรียกว่าหลงนะค่อยๆเรียนไปเดีย๋ยวแต่มาจะคอยบอกให้ว่าแบบไหนหลงบ้างเราจะพบว่าหลงนี่มีแหม่มีแปดหมื่นสี่พันรู้มีหนึ่ง น้าจานเพียงจานไปแล้วนะะข้างหลังว่าไงข้างหลังฮ้ทีมตำรวจมีอะไรถามไหมมีอะไรไหมใครจะถามอะไรไม่ต้องเปล่งใจนะไม่ต้องรอเลิกแล้วถามนะ <c oughs> โอ <c oughs> เชิญคุณหมอไม่ต้องตาดแต่งอไรเลยไม่อับแต่งอะไรเลยไม่ต้องตัดแต่งอะไรเล โอ้ถ้ามีหน้าที่คิดคุณหมอคิดให้รู้เรื่องนะเอาแล้วแต่ว่าเราจะฟังเชิงปริยัติหรือเพิงปฏิบัตินะถ้าฟังเชิงปริยัติก็ฟังไปคิดไปสรุปยิธีปฏิบัติเอาไว้แล้วกลับไปทําที่บ้านนะหรือว่าจะฟังเชิงปฏิบัติหัดไปเลยอย่ยงฟังอัตมาแล้วก็ใจแอบไปคิดตามรู้ว่าคิดตามเรียกว่าปฏิบัติแล้ว ถ้าลงมือปฏิบัติก็คือไม่เอาธรรมะที่อัตา ม, มาละแต่เอาธรรมะของจริงที่กําลังปรากฏในใจตัวเองเลยแล้วแต่ว่าเราจะเรียนได้ขนาดไหนโอดคอีคุณหมอคุณหมอคิดแล้วรู้ว่าคิดไม่เรียกว่าหลงคิดนะเรียกว่ารู้มันหลงหลงแวบแล้วก็รู้หลงแวบแล้วก็รู้ทําอย่างอื่นไม่ได้คุณหมอมันเป็นอย่างนั้นแหละ ไม่ไม่มีเกินไปนะมันมันเป็นไปนตามเหตุตัดใจแรงส่งให้คิดเยอะมันก็คิดยาวนานเกินไปก็คือความรู้สึกของเราเราอยากให้สั้นทำอะไรทราบไหมเมื่อกี้เนี้ยรู้ทันนะหลงไปแล้วะเรียกว่าหลงได้หมดเลยคำว่ารู้สักว่ารู้เนี่ย หมายถึงว่าขณะที่รู้เนี่ยจะรู้สึกตัวไม่ได้ทุกคนขณะที่ตาเห็นรูปเนี่ยเรียนอภิธรรมใช่ไหมจากครูวิญญาณจิตเรียนมิบากใช่ไหมไม่มีสติเพรอะในขณะที่ตามองเห็นจริงๆก็ไม่มีสติเออแต่ว่าถัดจากการมองเห็นนั้นนะสติจะเกิดหรือว่าโมหะจะเกิดคําว่ารู้สักว่ารู้ก็คือพอดูไปปุ๊บสติเกิด ไม่หลงปรุงแต่งตามการรู้นั้นไปแต่ถ้ารู้แล้วไม่สักว่ารู้คือพอมองเห็นปุ๊บหลงปรุงแต่งไปเลยนะเช่นเห็นลูกเราเดินมาแหมอู้รักเลยนะเราคึกคัวแต่คิดเรื่องลูกเลยลืมจิตลืมใจอย่างนี้เรียกว่าหลงดูแต่รู้สักว่ารู้คือเห็นเห็นเขาเดินมาเห็นรูปปรากฏขึ้นทางตาสัญญาณมันจําได้ว่าลูกเราก็าห้ามไม่ได้ด้วยสัญญาณแค่ เ, เกิด่ะ นะอย่างมันผุดขึ้นมาทางใจเนี่ยนะมีรูปอันหนึ่งผุดขึ้นทางใจสัญญามันแปลว่ารูปอย่างนี้อย่างนี้น่ากลัวเนี่ยถ้าใจรู้สึกกลัวเนี่ยหมายถึงว่าจิตปรวงอคูลนะแต่ถ้าเราสติปัญญามันทันมันจะเห็นว่าเออรูปอันหนึ่งปรากฏขึ้นมาความจําอันหนึ่งปรากฏขึ้นมาแล้วก็จบเลยไม่ปรุงแต่งต่ อ, อนี่เรียกว่ารู้สัตยารู้คือสิ่งที่ตามตา ม, ตามการรู้มาการตามเห็น รูปมามันเป็นธรรมะสายกุศลและจิตตั้งมั่นไม่หลงตามไม่หลงปรุงแต่มันเป็นกุศลขั้นละเอียดเลยไม่ใช่ไม่ใช่กุศลที่ปรุงมันขึ้นมาทําอะไรทราบไหมเมื่อกี้นี้ยทําอะไรอยู่ทราบไหมเออนะคิดอะไรไม่เป็นไรนะคุณแค่รู้ว่ามันไปคิดนะรู้แค่นี้พอ กรรมฐานไม่ได้ทำอะไรที่ยากๆเลยจิตมันแอบไปคิดรู้ว่ามันแอบไปคิดจิตมันวิ่งไปดูรู้ว่ามันวิ่งไปดูไม่ห้ามมันด้วยนะให้มันวิ่งไปก่อนแล้วรู้ว่ามันวิ่งไปมันคิดไปแล้วรู้ว่ามันคิดไปอย่างตอนนี้มันคิดไปทราบไหมนี่หัด่างเนี่ยนะหัดรู้ทันพฤติกรรมของจิตตัวเองโลวงูดูท่านเรียกว่าพลึดของจิตทาอะไรทราบไหม หลงจิตเห็นไหมเนี่ยหัดอย่างนี้นะในีสุดพอเรารู้ว่าหลงเนี่ยจิตจะตั้งมั่นจะกลับมารู้สึกตัวในขณะที่รู้สึกตัวเนี่ยนะถ้าสติย่างลงไปที่กายจะเห็นเลยรูปนี้ไม่ใช่เรานะถ้ามันปัญญาแก่กล้าอย่างเข้าไปที่ตัวจิตได้จะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราสกายยทิถี่ขาดตรงนั้นหลงละนะหลงแวบจะตั้งใจนะนะ ทำง่ายง่ายยิ่งง่ายยิ่งดีง่ายง่ายเลยทำอะไรอีกละนะเนี่ยหัดอย่างนี้นะหัดดูอย่างนี้นไม่ไม่ใช่ถล่มลงไปดูจิต<ะ>ที่ผ่านมายัางเป็นการถล่มลงไปดูนึกออกยังว่าถล่มไปดูส่งเข้าไปข้างไหนเราไปนั่งเฝ้าไห้ทำอะไรทร้าไหมให้หัดรู้นะหัดตามรู้ไปเมื่อกี้มันหนีไป อ๋อเมื่อกี้มันหนีไปรู้อย่างเนี้ยรู้ว่าอ๋อมันหนีไปเมื่อกี้มันโกรธเมื่อกี้มันโลภเมื่อกี้มันหลงเมื่อกี้มันฟุ้งซ่านไปอย่างนี้จิตที่หนีไปนั่นจิตมันฟุ้งซ่านเนี่ยจิตหนีไปคิดแวบหนึ่งนึกออกไหมเข้ารู้สภาวะองไปอย่างเนี้ยถ้าเรียนตรงนี้ได้ก็เนี่ยเรียกว่าจิตศิกขาเรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องจิตแล้วไม่ต้องกลัวว่าไม่มีปัญญา เพราถ้าจิตตั้งมั่นแล้วก็มันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะนะ ด, ดีนะค่อยๆรู้สึกไปรู้สึกไปง่ายๆคุณมองออกไหมว่าใจเราเนี่ยหนีไปเป็นช่วงๆเดี๋ยวก็หนีแวะไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวหนีไปโน่นเดี๋ยวหนีไปนี่ไม่ห้ามเขานะจริงแต่ว่าเขาหนีไปแล้วเรารู้ไวๆรู้ให้ไหวนี่หีไปคิดแล้วทราบไหมนีห่หักอย่างเนี้ยะ ทำอะไรนะคิดรู้ว่าคิดนะ่ะส่วนมากเราไปรู้เรื่องที่คิดเราไม่รู้ว่าจิตเรากํำลังไปคิดนะให้รู้ว่าจิตกําลังไปคิดสําคัญสําคัญกว่ารู้ว่าคิดเรื่องอะไรสิเอาเชอรี่เชร์รี่หนีไปเกิดแล้ว <laughs> นกเป็นไงนกอะไรนะไม่ชัดนะเนาะอดีที่เห็น ิตมีโมหะหน่อยๆแล้วทำไงดีอ่ะไม่ทาเนี่ยไม่ใช่จมอยู่แต่รู้ทันใจของเราใจเราเป็นกลางกับมันหรือใจเราทอแท้แล้วยอมแพ้มันหรือใจเราลึกๆอยากให้มันหายไปรู้ทันพิจันะถ้าบอกไม่ทำอะไรแล้วก็แค่อยู่กับมันมัวๆนะอย่างนี้เรียกว่าจมอยู่ล้ว ถ้าพยายจะดิ้นให้หลุดเฮ้ยดึงดึงใหญ่อันนี้ที่ว่าเพียนอยู่หลงอยู่งั้นลูรู้ทันมัวมัวอย่ามัวแต่ดูมัวดูทันใจของเราใจเราซึมเซาไหมรู้เราไปที่ความซึมของใจอย่าไปดูที่มัวนะพอดูที่ความซึมเนี่ยจะเห็นว่ามันขาดไปมันก็หายหายซึมปุ๊บหายมัวด้วยอ้าเลิกเลิกดูเลย อ้าวนิ่มเป็นไงนิ่มวันนี้ถูกลอยแพลเหรอเปอนแบบเดียวกับคุณแม่มาราถูกลอยแพลเหมือนกันมาคนเดียวเชนเนคุณหมอ <c oughs> ได้ได้คือถ้าคุณหมอเห็นกิเลสเกิดขึ้นทางใจนะรู้ทันมันสังวรเองคือ อย่้งกุศลเกิดขึ้นรู้ทันเนี่ยอกุศลจะครอบงาไม่ได้ทันทีที่เรารู้เนี่ยมันจะดับไปเลยทันทีที่มีสติถูกต้องนะคุณหมอแยกได้แล้วใช่ไหมสติที่เป็นตัวสติจริงๆกับสติที่แกล้งจ้องเอาไว้ถ้าสติตัวจริงเกิดอย่างสมมติว่าความซุ่มเซาผ่านเข้ามาในใจสตริะระลึกขึ้นได้เองเนี่ยในใจที่เป็นกลางเนี่ยมันจะขาดเลย ตอนมียังไม่มีความสามาขนาดที่จะสังรวมเมื่เห็นแอบตอนหน้านี้ไม่มีความสามารถที่จะสังรวมจริงๆื่เนเพ mm. ีแต่จะมีตัวเช่นเวลารถเขาสุดูค่ายทักไม่ที่ผ่นานทางสุดดูแอบไม่รูาาม้มือเห็นว่ามันเป็นภาพอะไไม่รู้ว่ามันเป็าอะไร อุ้ยคุณหมออย่าไปฝึกตอนขับรถนะมีมาหลายลายล้วมีลายหนึ่งนะฝึกฝึกมากไปเห็นไฟแดงไม่รู้ว่าไฟแดงนะมีชนท้ายเขาตั้งหลายคันตั้งเจ้าเจ้าอะไรเจ้ายิมมีชนเขาทีเดียวห้าคันเลยไปเห็นสักว่าเห็นเข้าเราเไปคือไม่ใช่ตอรถอย่่ว คือคือเราไม่ต้องไปฝึกลําบากอย่างนั้นนะคุณหมอแค่ว่าอคูสนาส่านเข้ามาเนี่ยคุณหมอรู้ให้ไวๆซะนะมันสํารวมของมันเองอฝึกแค่นั้นพอ ล, ละละอย่างการสํารวมอินทรีย์ทางตาเนี่ยหมายถึงอะไรท่านสอนไว้เลยบอกว่าการสํารวมอินทรีย์อยตอนตายเห็นรูปถ้าไม่สํารวมเนี่ยอภิชาและโทมันานัดจะเกิดขึ้นเกิดที่ใจ เพราะฉั้นการสํารวมอินทรีย์เนี่ยถึงจะมีอินทรีย์หกก็จริงแต่แท้จริงก็คือการสํารวมที่ใจรู้ทันอภิชาโภ ม, มนัตความยินดียินร้ายที่จะเกิดขึ้นที่ใจนี่แหละเรียกว่าสํารวมอินทรีย์ไม่จําเป็นต้องไปเรียนว่าไอ้รูปนี้ไม่ใช่ตัวตนรูปนี้ไม่มีความหมายอะไรไม่ต้องเรียนอย่างนั้นตัวอินทรีย์สังวรที่พระพุทธเจ้าท่านสอนตรงๆเลยเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อตาเห็นรูปแล้วเนี่ยให้มีสติ นะสัมรวมระวังใจของตนซึ่งถ้าไม่สัมรวมระวังแล้วเนี่ยเอาิชาและโทมนัสจะครอบงำนะเพราะงั้นจุดสําคัญตาเห็นรูปรู้ทันที่ใจหูได้ยินเสียงรู้ทันที่ใจความคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นนะอันนี้เกิดที่ทวารใจแล้วความคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นรู้ทันที่ใจเช่นอยู่ๆคิดอยากบวชนะคิดถึงการบวชคิดถึงพระนะคิดถึงพระปุ๊บความอยากบวชเกิดเรารู้ทันนะอย่างนี้เรียกว่าเราสัมรวมอินทรีย์ทางใจ คือภาพภาพพระโสดุขึ้นทางใจเกิดขึ้นแล้วเราสำรวมมินสีคือเรารู้ทันจิตที่ยินดีพอใจและอย่างนี้เรียกว่าสํำรวมมินสีสำรวมรวมินสีมีที่เดียวคุณหมอไม่ได้สำรวมที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายท่านสอนไม่ชัดเลยว่าสำรวมมินสีคือมีสติอยู่เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ถ้าหากไม่มีสติอยู่เนี่ยอภิชาและโทมานะความยินดีร้ายจะครอบงาใจ แะรู้รู้อยู่ตรงใจอันเดียวเหมือนที่เนนสอนทัาโพธิีระเห็นไหมเรียกว่าสำรวมอินสีโยทำไรโยสอบให้ชื่นใจสิเออดีดีที่รู้ใช้ได้ใช้ได้สมพงษ์อย่าไปทำอะไรเยอะๆน้ําดีอยู่แล้วดูไปง่ายๆดูสบายๆ ไปซุ่มที่ไหนกันมาอยู่ตามมัดป่าเลยป่ะเอ อ, เ อ, อดีแล้วนะอย่าเพียนจนรอยนะวิธีเร่งความเพียนก็ไม่มีอะไรหรอกรู้ทันจิตใจตัวเองไปเรื่อยสีแรกโยก็รู้มีความรู้สึกอะไรเราก็รู้นะฝึกมาถึงวันนี้แล้วโยพัฒนาไปรู้พฤติกรรมของจิตจิตไปดูรู้ว่าไปดู ไม่ต้องไปรอดูว่าจะดูอะไรไม้ไม่ก็ไม่ทำนะไม้ทีแรกก็ไม่ทำแนละ้อเคุยใกล้ๆไม้ไม้เกร็งแวอยากทำลายอ๋ออยากรู้ว่าอยากนะโลภะเกิดแล้วนะรู้ทันเลยเ อ, อือรู้ว่าอยากนะ จำได้ยังอยากรู้ว่าอยากตัดสมูทัยจะตัดต้นทางของมันถ้าไม่ตัดตัวสมู ท, ทยัยปล่อยความอยากครอบงำใจนะจะเกิดความปรุงแต่งตามมาความปรุงแสงนั่นแหละเรียกว่าพบพอําเผอร์พอผ่านพบทำอะไรเออนะรู้สึกไหมอย่าพยายามเยอะนะ เล่นเล่นทำเล่นเล่นนะจริงๆกรรมฐานง่ายโยมง่ายมากๆเลยนะเราลืมตาขึ้นมาเปิดหูเปิดตาขึ้นมากรนะะทบโลกธรรมดานี่กระทบอารมณ์ไปตามธรรมดากระทบแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่ใจก็รู้ทันมันทำอะไรนะไม่ปล่อยใจอย่างนั้นนะอย่างนั้นซึมไปแล้ว ดูออกไหมเมื่อกี้มันเฉยๆนะเฉยๆก็ถูกรู้อ่ะเฉยๆก็ไม่เที่ยงตอนนี้ไม่เฉยแล้วรู้สึกไหมเนี mm ่ยเข้ารู้บำเปลี่ยนแปลงไปม mm hmm. ีไปละ mm hmm. อย่าคิดเยอะนะ mm hmm. คิดคิดมากยากนานเออไม่เอาอย่าอย่าเอาความคิดมาใช้ mm hmm. นะ mm hmm. อาเรียนอพิธรมก็ได้ตรงอุทยพ ย, ายาัญญาต้องไม่มีจินตามัยปัญญาน ะ, นะแะได้ปริเสไหนเริ่มนเือเียนไู้เอนานตอนนี้รในที่ไหนสันบที่ไหนอ๋อบอกว่าทีออยงวันนี้หลายคน เมื่อยแล้วนะสมควรแก้เวลาฝนหยุดแล้ว